เรื่องได้ดังใจอธิษฐานโดยครอบครัวยนรดีบุญความรู้สึกที่ศิษย์มีต่อหลวงตานั้นยิ่งกว่าบุตรกะตันยูต่อบุภการีมากกว่าความรักที่บุคคลทั่วไปพึงมีต่อกันมากกว่าสุนักซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากจนยากที่จะเขียนเป็นตัวอักษรให้เข้าใจถึงความรู้สึกนั้นรู้ได้เพียงว่าเมื่อระลึกถึงท่าน ความรู้สึกนั้นถึงกับทําให้น้ําตาไหลไม่รู้ทำไมไม่ใช่เสียใจแต่รู้สึกปีติและตื้นตันน้ําตาก็เลยไหลออกมาเองมีความสุขนะบอกได้เพียงเท่านี้ย้อนไปเมื่อปลายปี2539คืนวันหนึ่งผมฝันไปว่าหลวงตาท่านยืนอยู่บนแคร่ไม้ริมคลองรอบตัวท่านมีกระป๋องน้ําวางเรียงกันหลายใบท่านเอากระป๋องน้านั้นสาดลงไปในคลอง เพื่อไล่ซากหมาเน่าที่ลอยอยู่ผมเห็นจึงช่วยท่านตักน้ำท่านสาดจนซากหมาเน่าลอยไปไกลแล้วท่านหันก้มมาลงเป่าที่ศรีรษะผมสองครั้งแล้วกระซิบข้างหูว่าอย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นจึงทราบข่าวว่าท่านมาพักที่สวนแสงธรรมบ่ายสามโมงผมออกจากบ้านเพื่อไปกราบท่านอธิษฐานในใจว่าขอเห็นหน้าท่านจริงๆสักครั้ง วันนั้นท่านรับแขกรุสิทธ์ที่กุฏิหลังเก่าใกล้โรงครัวพอผมขึ้นไปปุ๊บกราบเสร็จท่านมองหน้าแล้วก็พูดดุดว่าเห็นหน้าเราแล้วก็ลงไปกลุ่มคนที่มากับผมเจถึง8คนก็งงแต่ผมยิ้มเดินลงมาอย่างมีความสุขในใจตอนนั้นรู้แต่เพียงว่าเรากำลังได้ของดีแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากนั้นเวลาท่านมากรุงเทพ ผมก็ไปทําบุญกับท่านหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะวันไหนทุกข์ก็ไปทําบุญกับท่านมีความสุขหน่อยก็นอนเป็นอย่างนี้อยู่สมปีอธิษฐานอยากได้ในปี254หสวันหนึ่งท่านเทศเรื่องกรรมของมนุษย์ พูดถึงนรกว่ามันรุ่มร้อนนะท่านว่าอุ๊ยมันน่าสมเพศมันทุเรศนะนรกมันทุเรศนะในใจมันเกิดความรู้สึกพลิกตลบมากมายบอกไม่ถูกมันกลัวกรรมมันกลัวนรกมันกลัวไปหมดนับแต่นั้นมาเล่าบุหรี่ผมเลิกหมดกลางคืนเลิกเที่ยวเวลาหลวงตาท่านมากรุงเทพก็ไปทาบุญทุกวันไม่เคยขาดได้พบเหตุการณ์มากมาย ยิ่งนานวันก็ยิ่งรับรู้ถึงความเมตตาของท่านรับรู้ถึงคำว่าเมตตาลน้นล้นนั้นเป็นเช่นไรมีหลายครั้งที่ท่านแสดงให้รู้ว่าท่านรู้ถึงความคิดของเราเช่นครั้งหนึ่งผมคุยกับภรรยาที่บ้านเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลตอนหนึ่งของคำพูดคือพระท่านเราก็มีแล้วเกสาท่านเราก็มีแล้วเล็บท่านเราก็มีแล้วชานมาของท่านเราก็มีแล้ว น้ำบนของท่านเราก็มีแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีแล้วอยากได้ภรรยาถามว่าอะไรผมตอบว่าของดีที่รับจากมือหลวงตาไงแล้วเชื่อหรือไม่วันรุ่งขึ้นในขณะที่หลวงตาท่านเดินกลับกุติหลังจากเทศในตอนเช้าแล้วพอท่านเดินผ่านภรรยาผมท่านส่งชานหมากของท่านให้และท่านก็อมยิ้มได้จริงๆด้วย อธิษฐานอยากหายปีพศสองห้าสี่ห้าจำได้เลยว่าเป็นวันที่สองตุลาคมเวลาเจดโมงเชา้าผมไปทำบุญตามปกติสาคนพ่อแม่ลูกลูกสาวผมตอนนั้นอายุประมาณ 16-17 ปีเขามีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เด็กคือปวดท้องบางครั้งปวดมากถึงขนาดเดินไม่ได้เป็นทุกอาทิตย์เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายขาด เป็นอย่างเนี้ยมาหลายปีต้องเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนวันนั้นเป็นวันที่ลูกสาวฟังผลสอบแต่เขาปวดท้องมากจนหน้าซีดเดินตัวงอผมไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่สงสารลูกพอดีหลวงตาท่านกำลังให้พรก่อนพระบินทบาทด้วยความรักลูกผมจึงอธิษฐานว่าขอบารมีขององค์หลวงตาพระอรหันต์ที่ลูกเคารพโปรดดลบรรดาให้อาการปวดท้องของลูกผมหายด้วยเถิด กรรมใดที่เขามีและต้องรับผมขอรับแทนเองอธิษฐานแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยหลังจากท่านฉันและเทศเสร็จแล้วท่านก็กลับจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นเวลาสิบโมงผมโทรหาลูกสาวปรากฏว่าอาการปวดท้องหายแล้วแต่ที่แปลกคือผมเริ่มเจ็บท้องขัดในท้องและเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆจนห้าทุ่มจึงตัดสินใจนอน คิดว่าถ้าได้หลับสักตื่นก็คงหายประมาณตีสามก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเจ็บมากจึงลุกขึ้นอาบน้ำแปลงฟันเตรียมตัวหกโมงครึ่งจึงไปหาหมอเมื่อตรวจเสร็จหมอบอกว่าไส้ติ่งแตกบ่ายสองโมงจึงเข้าห้องผ่าตัดทันทีเมื่อผ่าเสร็จหมอบอกว่าผมโชคดีปกติถ้าไส้ติ่งแตกจะมีโอกาสติดเชื้อสูงแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยแผลผมสมบูรณ์ดีทุกอย่าง ตอนนั้นใจผมไม่กลัวอะไรเลยรู้สึกลึกๆในใจว่าโอ้โหอธิษฐานกับหลวงตาเห็นผลทันใจแบบนี้เลยเหรออ้อลืมบอกไปนับแต่วันนั้นมาลูกสาวผมไม่มีอาการปวดท้องอีกเลยกรรมสามารถรับแทนกันได้ด้วยหรือแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วหลวงตาทำให้เป็นไปแล้ว นอน้อมกายกราบลงตรงเบื้องหน้ากราบด้วยตาหวังนิมิตให้ติดแน่นขออย่าให้ลูกมีจิตคิดคลอนแคลนให้หนักแน่นในธรรมตามหลวงตาหลวงชื่อครอบครัวยนรดีบุญ